ส่วนมงคลข้อต่อไปคือสุภาษิตาจยาวาจาเนี่ยนะวาจาสุภาษิตนี้เป็นมงคลเนี่ยนะหมายถึงคำว่าวาจาสุภาษิตได้แก่วาจาที่ไม่มีโทษเลยนะเว้นจากโทษคือเป็นวาจาที่ไม่มุสาวาดเป็นคำพูดที่ไม่พูดคำหยา พ, พูดเพ้อเจ้อพูดส่อเสียดเลยนะ อย่างที่พระ อ, องค์ตรัสว่าวาจาที่ประกอบด้วยองศ์นี่แหละชื่อเพราเป็นวาจาสุภาษิตถามว่าวาจาสุภาษิตนี่คืออย่างไร ก, ก็คือที่พระ อ, องค์ตรัสในคุถกนิกายสุตตะนิบาศว่าสัตบุรุษทั้งหลายกล่าวว่าวาจาสุภาษิตเป็นวาจาสูงสุดข้อที่หนึ่งบุคคลพึงกล่าวแต่ธรรมะไม่กล่าวไม่เป็นธรรมะเป็นข้อที่สองกล่าวคํา กล่าวแต่คำน่ารักไม่กล่าวคำไม่น่ารักเป็นข้อที่สามกล่าวแต่คำสัตว์ไม่กล่าวคำหล่อแห ล, แหลเป็นข้อที่สี่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นวาจาที่คำพูดที่ไม่เป็นวจีทุจริตเลยนะคือไม่มีไม่เป็นเพอร์เจอร์เป็นต้นเนี่ยคำพูดลักษณะนั้นแหละเป็นวาจาสุภาษิตคือเป็นวาจาที่กล่าวแต่ธรรม เป็นวาจาที่พูดแต่คําที่น่ารักเป็นคําพูดแต่พูดแต่คําสัตว์เนี่ยนะาวาจาสุภาษิตนี่นะเป็นมงคลเพราะนํามาซึ่งประโยชน์สุขในโลกทั้งสองแต่วาจาสุภาษิตในที่นี้หมายถึงวาจาที่มีการแสดงธรรมแก่คนเราอื่นนะสุภาษิตตาจายาวาจาเนี่ยนะหมายถึงวาจามีการแสดงธรรมแก่คนอื่นเนี่ยนะชื่อว่าวาจาสุภาษิตในที่นี้ เพราะว่าการแสดงธรรมเนี่นะเป็นวาจาสุภาษิตเนี่ยเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุประสบสุขในโลกทั้งสองและพระนิพพานของสัตว์ทั้งหลายก็เหมือนกับการอยู่ในปฏิรูปประเทศเพราะฉะนั้นคําว่าวาจาสุภาษิตในที่นี้ก็คือการแสดงคํานั่นเองนันการแสดงธรรมหรือการกล่าวธรรมะให้คนอื่นฟังเนี่ยนะกล่าวคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะอันนี้เป็นมงคลเหมือนอย่างที่พระวังคีสัเทระกล่าวว่า พระพุทธเจ้าตรัสพระวาจาใดอันกเกษมเพื่อบรรลุพระนิพพานเพื่อทําที่สุดทุกขพระวาจานั้นแลเป็นยอดของวาจาทั้งหลายคําพูดเหล่านี้เนี่ยเป็นสุดยอดของวาจาเพราะอะไรเพราะเป็นวาจาที่ทําให้ทําที่สุดแห่งทุกได้เนี่ยนะพ้นจากวัฏทุกข์ทั้งหลายได้แล้วก็เป็นวาจาที่ทําให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ ในคาถาที่สามที่กล่าวไปเนี่ยนะมีอยู่สี่มงคลคือหนึ่งความเป็นพหูสูตรเนี่ยนะสองความมีศิละปะสามวินัยที่ศึกษาดีแล้วสี่วาจาสุภาษิตทั้งสี่อย่างนี้เป็นมงคลเนี่ยนะเป็นมงคลที่สูงสุดเพราะว่าเป็นเหตุแห่งความเจริญเป็นเหตุแห่งความสุขทั้งโลกนี้ด้วยเป็นเหตุแห่งความสุขทั้งโลกหน้าด้วยเป็น เหตุแห่งความสุขทั้งที่เป็นโลกิยะด้วยเป็นเหตุแห่งความสุขทั้งที่เป็นโลกุตระด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นมงคลทีนี้มาขึ้นมงคลสูตรคาถาที่สี่เนาะว่าด้วยมาตาปิโตุปปัฏฐานังปุตตธารสังฆโหอนาคุลาจะ ก, กรรมมันตาเอตํมังคารมุตตะมังเนี่ยนะในคาถาที่สี่นี้มีอยู่ สี่มงคลมงคลที่หนึ่งก็คือการบำรุงมารดามงคลที่สองก็คือการบำรุงบิดามงคลที่สามก็คือการสงเคราะห์บุตรและพันยามงคลที่สี่ก็คือการงานอันไม่อากูลในมงคลทั้งสี่มงคลเนี่ยนะคำว่าอุปทานังเนี่ยคำว่าบำรุงส่วน บุตรและพันยาก็ต้องสงเคราะห์ว่างั้นถ้ากิจการงานก็ต้องไม่อากูลส่วนขยายความว่าสตรีผู้ให้บุตรเกิดเนี่ยนะเรียกว่ามารดาผู้ชายที่ยังบุตรให้เกิดอันนี้ก็เรียกว่าปิดาการทำอุปการะด้วยการล้างเทา้านวดฟันขัดสีให้อาบน้ำและด้วยการมอบปัจจัยสีให้เนี่ยนะนะชื่อว่าการบารุง ในการบำรุงนั้นเพราะเหตุที่มารดาบิดามีอุปการะมากหวังประโยชน์อนุเคราะห์บุตรทั้งหลายมารดาบิดาเหล่าใดแลเห็นบุตรทั้งหลายเล่นอยู่ข้างนอกเดินมามีเนื้อตัวเปื้อนฝุ่นก็เช็ดฝุ่นให้จูบถนอมกล้าวนี่นะเกิดความรักเอ็นดู คือพูดถึงหัวใจของพ่อแม่นะที่เลี้ยงดูลูกเนี่ยเป็นไปในลักษณะนี้ถ้าเห็นไม่ดีสกปกก็เช็ดล้างให้หมดแหละเนี่ยนะถ้าหากว่าดูดีแล้วก็ามากอ่ออามาจูเป็นต้นนะนะเพราะมีความรักมีความเอ็นดูในลูกมากเพราะฉะนั้นบุตรทั้งหลายใช้ศรีรษะทูลมารดาบิดาไว้ถึงร้อยปีก็ไม่สามารถจะทำการปฏิการะคือตอบสนองคุณของมารดาบิดานั้นได้ และเพระเหตุที่มารดาบิดานั้นเป็นผู้ดูแลบำรุงเลี้ยงแสดงโลกนี้เนี่ยนะสมมติตนว่าเป็นพรหมสมมุติว่าเป็นบุรพาจารย์เพราะฉะนั้นการบำรุงมารดาบิดานั้นย่อมนำมาซึ่งการสรรเสริญในโลกนี้และลาบแล ะ, แ ล, ะละโลกหน้าไปแล้วนี่นะคือละโลกนี้ไปแล้วก็จะนำมาซึ่งสุขในสวรรค์ด้วยเหตุนั้นท่านจึงตรัสว่า กามารดาบิดาท่านเรียกว่าพรมเรียกว่าบุรพาจารย์ท่านเป็นอาหุนยบุคคลของบุตรเป็นผู้อนุเคราะห์บุตรเพราะฉะนั้นบัณฑิตพึงนอบน้อมและพึงสการะมารดาบิดานั้นด้วยข้าวน้ำผ้าที่นอนการขัดสีการให้อาบน้ําและล้างเท้าเพราะการปรนิบัติมารดาบิดานั้นบัณฑิตทั้งหลาย จึงสารเสริญเขาในโลกนี้เขาละโลกไปแล้วยังบันเทิงในสวรรค์เนี่ยนะ น, นี่พูดถึงการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เนี่ยนะ <c oughs> กิจกรรมห้าอย่างมีการเลี้ยงดูท่านทากิจของท่านและการดำรงวงสกุลเป็นต้นชื่อว่าการบำรุง การบำรุงนั้นพึงทราบว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุแห่งประโยชน์สุขในปัจจุบันห้าอย่างเนี่ยนะมีการห้ามมิให้ทําบาปเป็นต้นเหมือนที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในสิงคาลกาสูตรว่าดูก่อนครหบดีบุตรทิศเบื้องหน้าคือมารดาบิดาอันบุตรพึงบำรุงด้วยสถานห้าคือเราเลี้ยงท่านมาแล้วจักเลี้ยงดูท่านจักทากิจของท่าน จากดำรงวงสกุลจากปฏิบัติตัวเหมาะสมที่จะเป็นทายาทผู้รับมรดกนั้นี่เมื่อท่านล่วงรับดับขันแล้วจักทําบุญอุทิศไปให้ท่านดูก่อนครหะบดีบุตรทิศเบื้องหน้าคือมารดาบิดาอันบุตรเพึงบํารุงด้วยสถานห้าเหล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์บุตรด้วยสถานห้าคือห้ามบุตรจากความชั่วให้บุตรตั้งอยู่ในความดี ให้ศึกษาศิลปะจัดหาพันยาที่เหมาะสมให้มอบทรัพย์มรดกให้ในเวลาสมควรอันหนึ่งผู้ใดบำรุงมารดาบิดาด้วยให้เกิดความเลื่อมใสในวัตถคุคือพระรัตนตรยัยเนี่ยนะด้วยให้ถึงพร้อมด้วยศีลด้วยการบรรประชาเนี่ยนะคือให้พ่อแม่ถึงไตสรสารณคมถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรนาระ ให้พ่อแม่เนี่ยนะตั้งอยู่ในศีลถ้าให้ให้บวชได้ก็บวชอย่างไงผู้นี้เป็นยอดของผู้บำรุงมารดาและบิดาการบำรุงมารดาบิดาของผู้นั้นเป็นการตอบแทนอุปการะคุณที่มารดาบิดาทำมาแล้วพระองค์นี้ตรัสว่าเป็นมงคลเพราะเป็นประธานแห่งประโยชน์ทั้งหลายทั้งในปัจจุบันทั้งในภายภาคหน้าเป็นอันมากเนี่ยนะการบำรุงมารดาบิดานั้น โดยถ้าเทียบระดับของกุศลเนี่ยนะเป็นกุศลประเภทศีลและกุศลนะแล้วก็กุศลศีลเหล่านี้เนี่ยนะพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ต้องบำเพ็ญเนี่ยนะที่ในการบำรุงเลี้ยงดูมารดาบิดาเพราะฉะนั้นในพระวินัยเองพระผู้มีพระภาคก็ทรงอนุ ญ, ญาตให้ภิกษุเนี่ยนะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ได้ด้วยการให้ยูกให้ยาเป็นต้นเนี่ยนะให้อาหารเป็นต้นซึ่งไม่ผิดพระวินยัย แล้วพระองค์ก็ะทรงสรรเสริญมากในการบำรุงเลี้ยงดูมารดาบิดาเนี่ยนะว่าเป็นมงคลทีนี้ขึ้นมงคลข้อต่อไปว่าปุตตะทาระสังขโหเนี่ยนะปุตตะบวกทาระบุตรหมายถึงลูกเนี่ยนะลูกที่เกิดจากอกเนี่ยนะทั้งลูกชายและลูกสาวส่วนทาระก็ได้แก่พรรยาเนี่ยนะการสงเคราะห์หรือว่าการอุปการะเนี่ยนะ แก่บุตรและพัญญาเนี่ยนะพระองค์ตรัสว่าเป็นเหตุแห่งประโยชน์สุขในโลกนี้คือประโยชน์สุขในปัจจุบันอ่ามีความเป็นผู้จัดการงานดีเป็นต้นซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสถึงการส่งครอบบุตรพัญญานะที่แสดงว่าเป็นทิศเบื้องหลังนะพัญญาเนี่ยนะที่พระองค์ตรัสไว้ในสิงคาลกาสูตรทีคณิกายว่าดูก่อนเครือหามบดีบุตร ทิศเบื้องหลังคือพัญญาอันสามีพึงบำรุงด้วยสถานหคือด้วยการยกย่องเนี่ยนะคือยกย่องว่าเป็นพัญญานะด้วยการไม่ดูหมิน่นด้วยการไม่นอกใจด้วยการมอบความเป็นใหญ่ให้คือให้เป็นใหญ่ในบ้านนะนะด้วยการมอบเครื่องประดับให้เนีย่ยนะเพราะฉะนั้นสามีพึงบำรุงพันยาด้วยหสถานนี้ดูก่อนเครือขาปฎิบุตร ทิศเบื้องหลังคือพัญญาอันสามีบำรุงด้วยสถานห้าเหล่านี้แล้วย่อมบำรุงสามีด้วยสถานห้าคือจัดการงานดีสงเคราะห์คนข้างเคียงไม่นอกใจรักษาทรัพย์ที่สามีหามาขยันไม่เกียจคร้านในกิจทุกอย่างอันก็ให้สงเคราะห์หรือบำรุงด้วยสถานห้าเหล่านี้คาว่าสังฆโหหรือสังหะนี่แปลว่าการสงเคราะห์ หมายถึงยาตการนั้นจะสังขโหเนี่ยนะการสงเคราะห์ญาติคำ ว, ว่าสังขหะหรือการสงเคราะห์นั้นหมายถึงการให้เนี่ยนะทานการให้ปิยวาจาการพูดที่น่ารักนะนะอัตตเจริยาการประพฤติบำเพ็ญประโยชน์อันเป็นธรรมเนี่ยนะถามว่าคืออะไรคือให้สเบียงเนี่ยนะอาหารในวันอุโบสถ การให้ดูงานนักสัตว์เลิกการกระทํามงคลในวันมงคลการโอวาสสั่งสอนในประโยชน์ทั้งหลายที่เป็นไปในปัจจุบันและในภายภาคหน้าเนี่ยนะพูดถึงการสงเคราะห์สงเคราะห์บุตรและพันยาเนี่ยนะก็สงเคราะห์ด้วยการให้รู้จักให้แล้วก็พูดวาจาที่น่ารักแล้วก็ประพฤติบําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ไอ้คําคว่าให้ก็เช่นให้สเสบียงอาหารในวันอุโบสถให้ไปเที่ยว ง, งานบ้างนะเช่น ไปเที่ยวงานมงคลในวันมงคลเที่ยวดูงานนักกสัตย์แล้วก็แนะนำโอวาททั้งโอวาทสั่งสอนประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้านะต้องแนะนำเขาทั้งหมดการสงเคราะห์บุตรและพัรยาเนี่ยนะชื่อว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุแห่งประโยชน์ในปัจจุบันเพราะเป็นเหตุแห่งประโยชน์ในภายภาคหน้าและเพราะเป็นเหตุแห่งความ เป็นผู้ที่แม้เทวดาทั้งหลายก็นอบน้อมนะคนที่สงเคราะห์บุตรพันยาจริงๆเนี่ยนะเทวดายังนอบน้อมเลยอย่างที่ท้าวส ก, กะตะตรว่าดูกนมาตลีเครือหัดเหล่าใดทําบุญมีศีลเป็นอุบาสกเลี้ยงดูพรนยาโดยธรรมเราย่อมนอบน้อมครือหัดเหล่านั้นเนีย่ยนะอันคนที่ใช้ชีวิตโดยธรรมเนี่ยเทยวดายังนอบน้อมเลยทีนี้ต่อไปก็ มงคลข้อว่าอนาคูลาจากรรมมันตาเนี่ยนะการงานอันไม่อากลคือการงานทั้งหลายมีกสิกรรมการทำไร่โครักกรรมเลี้ยงโควณิชกรรมคือการค้าขายเป็นต้นเนี่ยนะที่ทำการงานเหล่านี้ต้องเว้นจากภาวะอากูรการงานที่อากูรเช่นทำแล้วล่วงเลยเวลาเนี่ยนะเรียกว่าไม่รู้วเวล่าเวลานะหรือการทำในเวลาที่ไม่เหมาะ หรือการทำกิจนั้นๆอย่างเป็นคนย่อหย่อนเป็นต้นเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นผู้รู้จักการเป็นผู้รู้จักทำแต่พอเหมาะแล้วก็เป็นผู้ไม่เกียรติคร้านและเพราะไม่ควรพินาศเนี่ยนะเหตุ <H ate> ด้วยถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรอย่างนี้ชื่อว่าการงานอันไม่อากูลคือทำแบบรู้จักการรู้แบบพอเหมาะทำด้วยความไม่เกียรคร้านทาด้วยความขยันหมั่นเพียรเนี่ยนะ การงานอันไม่อากูลเหล่านั้นอันบุคคลประกอบได้อย่างนี้ก็เพราะตนบุตรพัญญาหรือทาตและกรรมกรเป็นผู้ฉลาดพระองค์ตรัสว่าเป็นมงคลเนี่ยนะการงานอันไม่อากูลเป็นเหตุให้ได้ทรัพย์ได้ข้าวเปลือกแล้วก็ได้รับความเจริญในปัจจุบันอย่างที่พระองค์ตรัสว่าผู้มีธุระทำพอเหมาะมันย่อมได้ทรัพย์เนี่ยนะและบางแห่งพระองค์ก็ตรัสว่าผู้ชอบนอนกลางวัน เกลียดการขยันกลางคืนเมาประจําเป็นนักเลงครองเรือนไม่ได้ประโยชน์ทั้งหลายย่อมล่วงเลยพวกคนหนุ่มที่ทอดทิ้งการงานด้วยอ้างว่าหนาวนักร้อนนักเย็นแล้วก็เลยไม่ทํางานเลยนะอ้างสิ่งเหล่านี้ส่วนผู้ใดไม่สําคัญความเย็นและความร้อนยิ่งไปกว่าหญ้าทํากิจของลูกผู้ชายผู้นั้นย่อมไม่เสื่อมจากสุขอันนี้สุขของการงานในโลกนี้ บางแห่งพผม ก, ก็ตรัสว่าเมื่อคนรวบรวมพวกทศัพท์เหมือนแมลงพึ่งรวบรวมน้ำหวานโภคศัพทย่อมสะสมเป็นกองเหมือนจอมปลวกที่ปลวกทั้งหลายก่อขึ้นฉชนั้นเนีย่ยนะอันนี้ก็พูดถึงหลักของการสแสวงหาทรัพย์นนะเพราะว่าการสแสวงหาทรัพย์มานั้นก็ได้ด้วยอาชีพทีนี้อาชีพทั้งหลายเนีย่ยนะเมื่อประกอบได้แล้วก็ต้องใช้หลักเนีย่ยนะคือ เมื่อประกอบก็ต้องทำด้วยความไม่อากูลคำว่าไม่อากูลคือไม่ข้างค้างทำแต่พอเหมาะทำให้ถูกหลักของกิจการงานงานนั้นๆก็สามารถเป็นเหตุให้ได้รับความเจริญว่างั้นสิ่งนี้ก็เป็นมงคลเพราะว่าเป็นประโยชน์ให้ได้รับเนี่ยนะอยู่เป็นสุขในปัจจุบันในคาถาที่กล่าวไปเนี่ยนะคือมาตาปิโตุปัฏฐานางังปุตตะธาราสังกหอวนาคุลาจากรรมมันตาเนี่ยนะ ในคาถาที่สี่นี้จะกล่าวว่าสามงคลก็ได้คือสงเคราะห์มารดาบิดาเนี่ยนับหนึ่งสงเคราะห์บุตรพันยาเนี่ยนับหนึ่งการงานอันไม่าอากูลเนี่ยนับหนึ่งก็เป็นสมมงคลถ้าจะนับเป็นสี่มงคลก็ได้ก็คือการสงเคราะห์มารดาเนี่ยนับหนึ่งสงเคราะห์บิดานี่นับหนึ่งสงเคราะห์บุตรพันยานับหนึ่งการงานอันไม่าอากูลก็นับหนึ่งก็เป็นสี่มงคลถ้าจะนับเป็นห้าก็ได้ คือสงเคราะห์มารดาหนึ่งสงเคราะห์บิดาหนึ่งสงเคราะห์บุตรหนึ่งสงเคราะห์พันยานหนึ่งการงานอันไม่อากูล1ก็เป็น5มงคลเนี่ยนะแต่ว่าถ้าจะนับตามมงคล38ในคาถานี้ก็ต้องนับ4มงคลคือนับว่าการบำรุงมารดาเนี่ยนับ1การบำรุงบิดานี่นับหนึ่งการสงเคราะห์บุตรพันยาเนี่ยนับหนึ่งการงานอันไม่อากูลนี่ก็นับ1นเนี่ยนะนี่ขึ้นคาถาต่อไปนะคาถาที่5ว่าด้วย ทานนั่นจะธรรมจริยาจะยาตการนั่นจะสังฆโหอนวัชานิกรร ม, มานิเอตมังคะลมุมตมังเนี่ยนะคาถาที่ห้านั้นมีอยู่สี่มงคลด้วยกันคือทานเนี่ยหนึ่งการประพฤติธรรมเนี่ยหนึ่งการสงเคราะห์ญาติเนี่ยหนึ่งการอันไม่มีโทษหรือว่าการงานอันไม่มีโทษเนี่ยหนึ่งทั้งสประการนี้เป็นอุดมมงคลคือเป็นเหตุให้ถึงความเจริญ ชื่อว่าทานคำว่าทานเนี่ยอธิบายว่าเพราะเขาให้ด้วยวัตถุนี้ท่านอธิบายว่าเขามอบทรัพย์ที่มีอยู่ของตนให้แก่ผู้อืน่นนะการให้ทรัพย์ของตนแก่ผู้อื่นเนี่ยชื่อว่าทานส่วนคำว่าการประพฤติ ธ, ธรรมนี่หมายถึงความประพฤติเป็นธรรมหรือความประพฤติที่ไม่ปราศจากธรรมชื่อว่าธรรมจริยาอ น, นะส่วนการสงเคราะห์ญาติเนี่ยนะ ก็ชื่อว่ายาตกานันจะสังกโหแล้วก็อนวัชานินี่ยนะหมายถึงการงานอันไม่มีโทษคือคำว่าไม่มีโทษหรือติเตียนไม่ได้คือใครๆก็นินทานไม่ได้ติเตียนไม่ได้เนี่ยอธิบายตามลำดับว่าคำว่าทานหมายถึงเจตนาเนี่ยนะเป็นเหตุบริจาคทานวัตถุสิบมีข้าวเป็นต้น น, นะซึ่งมีความรู้ดีเป็นเบื้องหน้าคาว่าความรู้ดีเป็นเบื้องหน้าคือ มีกรรมสกตาเป็นเบื้องหน้านะเฉพาะผู้อื่นหรือความไม่โลภที่ประกอบด้วยจาระาเจตนานั้นชื่อว่าทานนะต้องหมายถึงเจตนาที่เป็นไปกับมหากุศเนี่ยนะมีปัญญาประกอบอเจตนาที่ยกวัตถุเหล่านี้ให้แก่ผู้อื่นนี่แหละครับเรียกว่าทานจึงอยู่บุคคลย่อมมอบวัตถุเนี่ยนะมอบให้วัตถุนั้นแก่ผู้อื่นด้วยความไม่โลภด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่า นนะชื่อว่าทานเพราะเขาให้ทานด้วยวัตถุนี้ที่พง์ตรัสว่าการให้ทานนี่เป็นมงคลเนี่ยเพราะเป็นเหตุประสบผลวิเศษที่เป็นไปในปัจจุบันและเป็นไปในภายหน้ามีความเป็นผู้ที่ตนเป็นอันมากเนี่ยนะคือชนเป็นอันมากก็จะรักใคร่และพอใจเป็นต้นอันนถะ้าหาว่าคนที่ให้ทานเนี่ยนะประสบประโยชน์ในโลกนี้ ก็คือชนเป็นอันมากรักและก็เป็นที่พอใจของชนเป็นอันมากส่วนประโยชน์ในภายหน้าก็เป็นเหตุให้เกิดในตระกูลที่มีพกข้าศัพท์เป็นต้นเนี่ยนะทำมาหากินก็สะดวกในเรื่องทานนั้นท่านบอกให้ระลึกถึงพระสูตรเป็นต้นอย่างนี้ว่าดูก่อนสีฮะทานบดีคือทายกเนี่ยนะย่อมเป็นที่รักที่พอใจของชนเป็นอันมากเป็นต้นนี้เป็นผลแห่งคาน ส่วนการให้ทานเนี่ยนะถ้าจะว่าไปก็มีสองอย่างคืออมิสทานและธรรมทานในทานสองอย่างนั้นอมิสทานได้เคยกล่าวมาแล้วคือหมายถึงเจตนาที่ให้วัตถุเป็นต้นนะชื่อว่าอมิสทานส่วนการแสดงธรรมเนี่ยนะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศแล้วอันนำมาซึ่งความสิ้นทุกข์และสุขในโลกนี้และโลกหน้า เพราะหมายจะให้เป็นประโยชน์แก่ค น, น, นอื่นๆนี่ชื่อว่าธรรมทานเนี่ยนะเพราะว่าธรรมทานนี้ทำให้ผู้ที่ได้รับฟังคำสอนได้รับประโยชน์คือความสิ้นทุกเนี่ยนะโดยเฉพาะผู้ที่สามารถประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนเหล่านั้นก็สิ้นวัตถุทุกเลยแล้วก็ได้รับความสุขโดยเฉพาะนิรามิตสุขเนี่ยนะผู้ที่มีบุญก็สามารถที่จะได้รับความสุขระดับพระนิพพ า, านนะั่นนหะ แล้วในบรรดาทานสองอย่างเนี่ยนะคืออมิสทานกับธรรมทานการให้ธรรมเป็นทานเนี่ยนะเป็นเลิศเลิศกว่าอมิสทานอย่างที่พระองค์ตรัสไว้ในคาถาธรรมบทว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติสัพพารสังธรมรมรโสชินาติสัพพารติงธรมรมารติชินาติตันหัขโยสัพพทุขังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง รถแห่งธรรมะชนะรถทั้งปวงความยินดีในธรรมะชนะความยินดีทั้งปวงความสิ้นตานหาชนะทุกทั้งปวงเนี่ยนะเพราะว่าการให้ทาเป็นทานเนี่ยนะที่บอกว่ามีผลมากเมีนิส ง, งมากกว่ามิสถานเพราะว่าบุคคลผู้ให้อามิสถานนั้นก็เนื่องจากได้รับธรรมทานมาก่อนเนี่ยนะ ทีนี้พูดถึงว่าความยินดีในธรรมเนี่ยนะชนะความยินดีทั้งปวงนี่หมายถึงความยินดีในสมถะและวิปัสนาเนี่ยนะถ้ายินดีลักษณะนี้ก็ชนะความยินดีทั้งหมดแหละส่วนที่ผู้ที่สิ้นตัณหาเนี่ยก็ชนะทุกทั้งหมดโดยเฉพาะทุกในวัตตะเนี่ยนะชนะหมดเลยส่วนธรรมทานเนี่ยนะที่พงตรัสว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุใกล้แห่งคุณทั้งหลาย นะคือผู้ที่แสดงธรรมเนี่ยนะเป็นเหตุใกล้ที่จะได้รับคุณธรรมทั้งหลายที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนพิสูทั้งหลายภิกษุผู้แสดงธรรมตามที่ฟังมาตามที่เรียนมาโดยพิสดารแก่คนอื่นๆโดยประการใดๆพิสูนั้นย่อมเป็นผู้ทราบซึ้งอัฏฐะนะและทราบซึ้งธรรมะในธรรมะนั้นโดยประการนั้นๆอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นผู้ที่ แสดงธรรมนี่ก็ได้รับประโยชน์ไนหะคือมีความเข้าใจในอัตในธรรมมากขึ้นเข้าใจในพุทธพจน์บทต่างๆว่าบทนี้เป็นศีลบทนี้เป็นสมถะบทนี้เป็นวิปัสสนาบทนี้เป็นมรรคเป็นผลเป็นนิพพานเนี่ยนะแล้วก็จัดทราบซึ่งเข้าใจในพระธรรมหมวดนั้นๆมากขึ้นกว่าเดิมเยอะแล้วก็จะได้อ น, นิสงส์อีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถทรงจําพยัญชนะไว้ได้รู้จักพยัญชนะนั้นๆอย่างชัดเจนถูกต้อง นี่ก็เว่าเฉพาะในส่วนที่ผู้แสดงได้เลยทันทีเนี่ยนะแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังอย่างมหาศาลการผู้ที่กล่าวว่าธรรมทานเนี่ยชนะทั้งหมดนี่เนื่องจากว่าผู้ใดถึงมีสติปัญญา ม, มากเหมือนกับพระสารีบุตรถ้าไม่ได้รับการฟังธรรมมาก่อนถามว่าจะได้บรรลุมรรคผลไหมเนี่ยนะก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรมทานนี้จึงมีผลมากเมนิสงมากเพราะว่าผู้ที่รับแล้วสามารถพ้นทุกข์ได้ ทีนี้มงคลข้อต่อไปว่าด้วยการประพฤติธรรมเรียกว่าธรรมจริยาเนั่นนะการประพฤติธรรมนั้นหมายถึงการประพฤติกุศลกรรมบทสิบชื่อว่าธรรมจริยาเหมือนที่พงษ์ตรัสว่าดูก่อนเครื่อหับดีทั้งหลายการประพฤติธรรมการประพฤติสม่ำเสมอในมีสามอย่างสามอย่างคืออะไรคือความประพฤติธรรมประพฤติสม่ำเสมอทางกายความประพฤติธรรมความประพฤติเสมอทางวาจาความประพฤติธรรมความประพฤติเสมอทางใจเนี่ยนะ ก็การประพฤติธรรมนั้นพระองค์ตรัสว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุให้เข้าถึงโลกสวรรค์เหมือนที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อครฤหาบดีทั้งหลายเพราะเหตุที่ประพฤติธรรมประพฤติสม่ำเสมอสัตว์บางเหล่าในโลกนี้เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นผลของการประพฤติกุศลกรรมบทสบิสามารถปฏิสนธิในสุขติภูมิได้ ส่วนมงคลข้อต่อไปคือการสงเคราะห์ญาติคําว่าญาตินั้นหมายถึงชนผู้เกี่ยวข้องข้างมารดาหรือข้างบิดาจนถึงเจ็บชั่วปูยย่าเนี่ยชื่อว่าญาติคําว่าการสงเคราะห์ญาตินี้หมายถึงการสงเคราะห์ญาติเหล่านั้นผู้ถูกความเสื่อมด้วยโภคาเนี่ยนะเขาเสียโภคนะถูกความเสื่อมเพราะเจ็บป่วยครอบงามแล้วก็มาหาตนคือเขามีความเดือดร้อนมาหานะ ก็สงเคราะห์เข้าด้วยอาหารด้วยเครื่องนุ่งหม่มและก็ข้าวเปลือกเป็นต้นตามกำลังคือตามมีตามได้นะและที่พระองค์ตรัสว่าการสงเคราะห์ญาตเป็นมงคลเนี่เพราะเป็นเหตุประสบผลวิเศษที่เป็นไปในปัจจุบันมีการสรรเสริญเป็นต้นนะผลของการสงเคราะห์ญาตนะก็ญาตทั้งหลายเมื่อได้รับการสงเคราะห์ก็จะยกย่องให้ศีลให้พรเป็นต้นนะน แล้วก็ประโยชน์ในภายภาคหน้าก็เป็นเหตุให้ไปสู่สุขติเป็นต้นอันนี้ชื่อว่าการสงเคราะห์ญาติเนี่ยมีประโยชน์มหาศาลส่วนการงานอันไม่มีโทษนั้นหมายถึงนะกิจกรรมที่เป็นสุจริตทางกายสุจริตทางวาจาหรือว่าสุจริตทางใจเนี่ยนะถามว่าสุจริตที่ว่าเช่นการสมาทานองค์อุโบสถ หรือการทําความขวนขวายในการปลูกสวนเนี่ยนะปลูกสวนปลูกป่าหรือว่าการสร้างสะพานการขุดบอ่อน้ําเป็นต้นอ่นะการกระทําสิ่งเหล่านี้ชื่อว่าการงานอันไม่มีโทษเนี่ยนะการงานอันไม่มีโทษพระองค์ตรัสว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุให้ประสบประโยชน์สุขนานาประการเหมือนที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนนางวิสาขา สตรีหรือบุรุษบางคนในศาสนานี้ถืออุโบสถประกอบด้วยองค์8ประการเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกพึงเข้าถึงความเป็นสหายของถวยเทพชั้นจารุ ม, มหาราชิกาอันใดอันนั้นเป็นฐานะเป็นไปได้คือเป็นไปได้นะผู้ที่รักษาอุโบสถที่ประกอบไปด้วยองค์แปดที่จะไปเกิดในสวรรค์ชั้นจาตุมชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมมานารดีเป็นต้นเนี่ยผู้ที่ประพฤติกุสุธรรมเนี่ย เป็นเหตุสุกนานาประการโดยเฉพาะสุกในโลกหน้าในคาถาที่ห้าที่กล่าวไปว่ามีสี่มงคล น, นั้นได้แก่หนึ่งทานสองการประพฤติธรรมสามการสงเคราะห์ญาติสี่การงานอันไม่มีโทษเนีย่ยนะหรือกรรมอันไม่มีโทษเนีย่ยนะทั้งสีประการนี้เป็นมงคลคือเป็นเหตุให้ถึงความเจริญตามมงคลนั้นๆที่กล่าวไป ทีนี้มาขึ้นมงคลข้อที่6เลยนะคาถาที่หในมงคลคาถาที่6นั้นมีอยู่สมมงคลด้วยกันคืออารติวิรติปาปามัชปานาจัสนยมโมอ ป, ปมาโดจะธรรมเมสุเอตัมมังคลมุตตังนี่นะข้อหนึ่งก็คือการงดเว้นจากบาปสองก็สำรวมจากการดื่มน้ำเมาสามความไม่ประมาทในธรรมะทั้งหลายนี่นะ ซึ่งอธิบายว่าความไม่ยินดีทางใจอย่างเดียวของบุคคลผู้เห็นโทษในบาปชื่อว่าอารติเนี่ยนะอารติเนี่ยนะเขาบอกความงดงดก็คืองดหมายถึงไม่ยินดีในบาปทางทวารใจว่างั้นเถอะส่วนความเวนเนี่ยนะวีรติหมายถึงว่าเว้นทางกายเว้นทางวาจาโดยกรรมและทวารอย่างเนี้ยชื่อว่าวีรัตเนี่ยนะพันคำ ว, ว่าวีรัตก็คือ งดเว้นทางกายทางวาจาที่เป็นไปในกรรมหรือเป็นไปในทวารทีนี้พูดถึงในส่วนของการเว้นเนี่ยวิรตีนี่วิรตีนี่มีอยู่สามประการด้วยกันวิรตีอย่างที่หนึ่งก็คือสัมปตตวิรตวิรตีพูดแบบไทยๆเราก็เรียกวิรัตวิรตมีอยู่สามอย่างคือหนึ่งสัมปตตวิรตสสมทานวีรตและก็3สมุตเฉทวีรต คำว่าสัมปตาวิรัตเนี่ยนะหมายถึงเจตนางุดเวนของผู้ที่ไม่ได้สมาทานไว้ก่อนนะ่ะนะแต่ไปประจวบกับวัตถุที่จะพึงฆ่านะเช่นเห็นสัตยุงมากัดก็เป็นต้นน่นะนก็ไม่ตบไม่ฆ่าเพราะนึกถึงชาติหรือว่านึกถึงตระกูลนึกถึงโคตรของตัวก็เลยไม่ทำบาปนั้นๆน่ะ น, นะไม่ทำบาปไม่ว่าจะ มีโอกาสที่จะลักทรัพย์ได้แต่ก็ไม่ลักเพราะปลารบถึงชาติเป็นต้นของตัวเองเนี่ยนะกุศลบิรัตเหล่านั้นก็สามารถเกิดในที่นั้นๆได้อย่างนี้เขาชื่อว่าสัมปตวิรัตคื อ, องดเว้นโดยโดยธรรมชาติแบบนั้นเนี่ยเพราะปารบชาติตระกูลเป็นต้นก็ไม่ทําชั่วเนี่ยนะก็มีเยอะนะหลายคนปารบถึงชาติตระกูลของตัวเองก็ไม่ดื่มสุราไม่ผิดกาเมเป็นต้นเนี่ยนะ ก, ก็มีกันอยู่อันนี้ก็เป็นศีลเหมือนกันเป็นวิรัตเหมือนกัน ส่วนสมท า, านวิรัตนี้หมายถึงกุลบุตรที่ไม่ทํำบาปมีปานาติบาตเป็นต้นเนี่ยนะตั้งแต่การประพฤติวิรัตที่เกิดจากการสมท า, านนะเช่นสมท า, านว่าวันนี้หรือว่าต่อไปนี้จะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมเป็นต้นเมื่อสมท า, านอย่างนี้แล้วก็ไม่ล่วงละเมิดเนี่ยนะไม่ทําอย่างนั้นนั้นเลยอันนั้นเป็นสมท า, านวิรัตไป ส่วนสมุทเฉทวิรัตนี้หมายถึงในขณะอริยมรรคเน่ะวีรปีสามที่เกิดพร้อมกับอริยมรรคของพระอริยสาวกเพราะฉะนั้นพระอริยสาวกถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วหลังจากนั้นท่านก็จะไม่ฆ่าศัตรูอันนี้เป็นธรรมชาติเรียกว่าสมุทเฉทวิรัตเรวาวิรัตโดยตัดขาดเลยอันนี้หมายถึงวิรัตในขณะอริยมรรคอย่างเดียวอันี้ขยายคําว่าบาปเนี่ยนะเพราะว่าเวงด ความงดเว้นจากบาปคําว่าบาปก็คืออกุศลเนี่ยมีอยู่สี่อย่างก็คือหมายถึงกรรมมกิเลสสี่อย่างนะที่พระผู้มีพระภาคตรัสไปว่าดูก่อนบุตรครห บ, บดีกรรมมกิเลสคือปานาติบาตกรรมมกิเลสคืออาทินนาทานกรมมกิเลสคือการเมสุมิชฌาจารกรมมกิเลสคือมุสาวาตเนี่ยนะนะแล้วผมก็ตรัสเป็นคาถาว่าท่านกล่าวกรรมมกิเลสสี่คือปานาติบาต อธินาทานมุสาวาทและการละเมิดภัญยาของผู้อื่นบันฑิตทั้งหลายไม่สันเสริญเลยการงดเว้นจากบาปอากุศลนั้นการงดเว้นแม้นั้นทั้งหมดตรัสว่าเป็นมงคลเนี่ยนะคือเว้นจากกรรมกิเลสสีประการหรือว่าการรักษาศีห้าเนี่ยนะเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุประสบผลวิเศษนานาประการมีการละ เวรละภัยเป็นต้นในปัจจุบันและในภายภาคหน้าเพราะว่าผู้ที่ทําตานาติบาศก็ชื่อว่าสร้างเวรไว้ในโลกนี้ด้วยโลกหน้าด้วยเนี่ยนะผู้ที่ทําอธินาทานก็สร้างเวรไว้ในโลกนี้ด้วยโลกหน้าด้วยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นการผิดศีลทั้งหลายเนี่ยนะชื่อว่าสร้างเวรสร้างภัยให้แก่ตัวเอง น, นะซึ่งภัยทั้งหลายก็เด็ดเช่นชาติภัยก็ผลแห่งตมเหล่า น, านั้นนนั้ก็สามารถทําให้ปฏิสนธิในอบายทุกติวินิบาตและนรกได้ และการงดเว้นเหล่านี้เป็นมงคลเหมือนอย่างที่พระองค์ตรัสว่าอริยะสาวกเว้นจากปานาติบาตแล้วอันนี้ก็เป็นผลทำให้ถึงสุคติโลกสวรรค์เนี่ยนะ